นนี้หลายคนก็จะกลับบ้านหลังจากที่มาเจริญสตินานเป็นอาทิตย์บางคนอาจจะมาภาวานาได้ไม่กี่วันแต่ไม่ว่าจะมาภาวานามากหรือน้อยอย่าง น, น, น้อยก็ขอให้เข้าใจ คำสอนที่ช่วยในการดำเนินชีวิตโดยพราะที่หลวงพ่อคำเขียนท่านย้ำนะว่าให้เห็นนะอย่าเข้าไปเป็นอันนี้เป็นหลักการปฏิบัติและการดำเนินชีวิตที่มีประโยชน์มากพวกเราที่ได้มาเจริญสติ 6วันบ้าง7วันบ้างหรื อ, อนานกว่านั้นถ้าว่าสามารถจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างเห็นนะกับเป็นได้เนี่ยนะก็ถือว่าได้วิชาที่สำคัญการที่เราจะแยกแยะหรือเห็นความแตกต่างระหว่างเห็นกับเป็นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เรารู้จักใช้สตินะ ที่จริงนี่ก็คือจุดหมายของพวกเราที่มาที่นี่นะก็คือเพื่อมาฝึกสติมาเพิ่มพูนนะสมรรถนะของสติไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออย่างอื่นเลยหรือถ้าจะมีจุดหมายอย่อยางอื่นนะก็อย่าลืมอันนี้หรืออย่าทิ้งอันนี้อยากจะมาเพื่อฝึกจิตให้สงบ ก็ดีหรือว่าอยากจะมาทำบุญก็ดีนะอย่างน้อยๆก็ได้เห็นนะได้ฝึกเรื่องของสติให้มากขึ้นเพราะว่าความสงบนะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างยั่งยืนนะถ้าเราไม่มีสตินะที่พัฒนาแล้วและการทำบุญนะ มันจะไม่ใช่เป็นการทําบุญที่แท้หรือว่าเกิดอ น, นิสงส์อย่างแท้จริงถ้าเราไม่รู้จักทําด้วยสติถ้าเราทําด้วยความหลงให้บุญที่ทําก็อาจจะกลายเป็นบาปหรือว่ากิเลสเพิ่มพูนอัตตาหนานแน่นมากขึ้นก็ได้หรือว่าทําแล้วก็ทุกขนะ์เพราะว่า ไม่มีคนนะถ่ายรูปเราตอนทําบุญขึ้นเฟซบุนะ๊กเนี่ยกลหรือว่าเป็นเจ้าภาพทอดกระถินทัาาพป่านะั่นแต่ว่าได้น้อยกว่าอีกกองหนึ่งหรืออีกที่หนึ่งนะซึ่งเป็นเพื่อนกันนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติแล้วนะจะใช้ชีวิตให้มีความสุขได้เนะี่ย มันก็ต้องมีสติเป็นเครื่องรักษาใจแม้เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะแต่ก็อาจจะพลาดท่าเสียศูนย์เพราะขาดสติแม้ประสบความสำเร็จนะความสำเร็จนั้นก็สามารถจะนำพาความทุกข์ให้กับตนเองได้เพราะขาดสติ เพลิในความสำเร็จนะเกิดความประมาทแล้วความประมาทนี่มันก็เป็นนะที่มาแห่งความตายบางทีมันตายจริงๆนะนะถูกรถเตรี่รางวัลที่1 5ึาใบาดีใจนะรีบขับรถบึงนะจะไปจะไปบอกข่าวดีให้กับพ่อแม่ ถ้เด๋ยวกันก็ฝันเฟื่องเลยนะว่าได้เงินมา2 0 3สล้านจะไปทำอะไรนะฝันกลางวันนะก็เลยมองไม่เห็นรถข้างหน้านะหรือมองไม่เห็นคนที่กขากำลังเดินข้ามอนะ่ะไปชนเข้าหรือประสานงานกันก็ตายขึ้นมาอย่างเงี้ยนะไม่ทันจะถึงบ้านแล้วก็ตายซะละนะเพราะความดีใจจนลืมตัว อันนี้ก็ขาสติสตินี่อย่างที่บอกนะมันเป็นสิ่งที่ช่วยทาให้เห็นนะไม่เข้าไปเป็นสิ่งที่เห็นเนี่ยนะมันไม่ใช่วัตถุสิ่งของหรือคนที่อยู่ข้างนอกแต่มันคือความคิดและอารมณ์นะที่มันเกิดขึ้นในใจสติจึงเปลี่ยนเหมือนกับตาในเราใช้ตาเนื้อในการ มองสิ่งภายนอกทั้งคนเราก็มีตาเหมือนกันนะแต่ความสามารถในการมองความสามารถในการเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทั้งทั้งที่ไม่ได้ใส่แว่นทั้งทงที่ตาเนี่ยกนะ็มีความสามารถในการรับรู้เหมือนกันนะแต่ว่าพอมีการฝึกฝนแตกต่างกัน ความสามารถในการรับรู้หรือในการมองมันก็จะแตกต่างไปด้วยอย่างพวกเราเนี่ยเวลาดูฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยเรามองไม่ค่อยเห็นอะไรนะเรามองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยแต่ถ้าให้หมอนะมอมองนะมงมงนะไม่ว่าจะเป็นหมอหวัวใจหมอปอดหมอไตก็จะเห็นได้มากมายหลายอย่างเหลือเกิน เห็นทะลุไปนะจนถึงก้อนมะเร็งทําไมก็เห็นได้ลึกเท่าทําไมก็เห็นได้มากนะเพราะเขาฝึกนะเรามองไปท้องฟ้าเนี่ยนะแต่และคนก็ท้องฟ้าพื้นเดียวกันแต่ว่าทําไมบางคนนี่มองเห็นดาวได้ละเอียดและออมมากนะขณะที่เรามองไม่เห็นเลยนะแต่เขาเห็นนะทั้งที่แสงของดาวนะั้นมัน อ่อนมากนะแล้วเขาสามารถจะจินตนาการนะนะอะไรต่ออะไรได้มากมายตาเหมือนกันสิ่งที่มองก็เหมือนกันแต่ว่าเห็นไม่เหมือนกันเพราะว่าผ่านการฝึกที่แตกต่างกันนะบางคนนี่เขาได้เขาได้ฝึกสมรรถนะในการมองอย่างบางคนนี่เก่งในเรื่องการทอผ้าเพราะ็จะเห็นสีได้ละเอียดละอ่อหลายเฉดมาก จากผ้าที่ทออันนี้เพราะเขาฝึกนะแต่เราไม่ได้ฝึกตาเนื้อเรามาฝึกตาในนะทำให้เห็นนะเห็นได้ได้ได้ละเอียดนะแล้วก็เห็นได้อย่างรวดเร็ว ด, ด้วยคนหลายคนเนี่ยทั้งนั่งที่มีความมิดตก มีความกังวลมีความโกรธมีความกลัวแต่ไม่เห็นนะไม่เห็นไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอารมณ์ล่านั้นนะหรือยิ่งกว่านั้นคือเข้าไปเป็นเลยนะเข้าไปเป็นเลยแทนที่จะเห็นความโกรธก็เป็นผู้โกรธแทนที่จะเห็นความเศร้าก็เป็นผู้เศร้า aus, แทนที่จะเห็นนะความวิ ต, ตกก็เป็นผู้วิ ต, ตก อันนี้เราเข้าไปเป็นแล้วนะแล่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสตินะนะไม่มันมามองดูใจหรือสังเกตอารมณ์ของตัวนะมันจะไม่มีทางที่จะแยกแยะได้ว่าเห็นกับเป็นแตกต่างกันอย่างไรนะพอถามว่าเห็นความคิดไหมนะเห็นความโกรธไหมก็หน้าตาเหลือลา แม้กระทั่งถามว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรหลายคนก็ตอบไม่ไดนะ้เพราะว่าใช้แต่ตาเนื้อนะในการมองข้างนอกแต่ไม่เคยใช้ตาในเข้าไปส่องดูใจของตัวในการเจริญสตินี่นะมันก็มันไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการฝึกให้มาดูกายและใจของตัว เด่๋ว่าแต่ใจหรืออารมณ์เลยนะว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรแม้กระทั่งถามว่าคนที่เวลาโกรธเนี่ยถามว่าตอนนี้กายเป็นอย่างไรก็ตอบไม่ได้ทนะ่านั่งที่อาการทางกายนี่มันแสดงออกนะมากมายหลายอย่างเหลือเกินแล้วท่นงที่อาการทางกายนี่มันหยาบนะมันหยาบ ก, กว่าอาการทางจิต หรืออารมณ์นาที่เกิดขึ้นในใจเช่นขณะที่โกโรธนะหัวใจมันก็เต้นเร็วนะหน้านิว่วขี้ขมวดแม้จะไม่เห็นไม่ต้องส่องกระจกคนเราก็รู้นะถ้ามีสติที่ไวเพราะว่าตอนนี้หน้านิว่วขี้ขมวดแล้วแต่ตอนที่โกโรธเนี่ยเพราะความหลงมันก็ จ, จะเลยไม่สังเกตนอกจากนั้นก็ยังมีอาการอะไรอีกนะมือเท้าเกร็งนะ ปากนี่เม้มนะหรือว่าลมหายใจทีสั้นนหลายคนเนี่ยบอกไม่ได้นะว่าตอนที่โกรธนี่อาการเป็นอย่างไรแม้เวลาตอนที่ถามที่ไม่ได้โกรธลวตอนที่กรัวนี่อาการเป็นอย่างไรนะไม่รู้เพราะหลไรเพราะไม่สังเกตนะเราไปรับรู้สิ่งภายนอกมากนะรับรู้นะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ โทรศัพท์มือถือนะโปรโมชั่นต่างๆหรือว่ารับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดารานะบุเพสนิวาดอะไรต่างๆนี่โอ้ยรู้ดีนะดารารู้ประวัติบางคนก็ซีเรียสหน่อยนะก็รู้ถึงเกี่ยวเรื่องของโลกและจักรวาล น, นะรู้เยอะ นะรู้แม้กระทั่งว่าเนี่ยสุรุยุปราคาเต็มดวงครั้งต่อไปมันจะเกิดขึ้นที่ประเทศไหนเห็นได้ชัดที่ประเทศไหนวันเดือนปีอะไรนะแต่กลับไม่รู้แม้กระทั่งกายของตัวเองว่าเวลามันโกรธเวลามันกลัวมันมีอาการอย่างไรนะถามว่ารู้แล้วมันช่วยอะไรได้นะโอ้รู้แล้วช่วยได้มากเลย แล้วคนที่กำลังโกรธเนี่ยถ้าหากมามารู้กายว่ามันหัวใจกําลังเต้นลมหายใจกําลังทีหอบมันช่วยลดความโกรธไปได้เยอะนะมันช่วยลดความกลัวไปได้เยอะเลยเพียงแค่เรารู้นะว่ากายตอนนั้นเนี่ยหรือกายตอนเนี้ยมันมีอาการอย่างไรเพราะเพียงแค่ใจนี่นะ มันละจากเรื่องที่กําลังโกรธเรื่องที่กำลังโกรธได้แก่อะไรบ้างถูกดา่าหรือว่าเพื่อรวมงานทํางานผิดพลาดหรือว่าลูกนี่ดือ้อนะเพียงแค่จิตเนี่ยมันละจากเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมารับรู้กายเนี่ยมันก็ทําให้ความโกรธเนี่ยมันทุเราห ล, าลงเพราะว่าเราโกรธเพราะอะรเราโกรธเพราะคิดเราโกรธเพราะนึกนะ นึกถึงลูกที่ดื้อนะนึกถึงเพื่อนที่นินทานะพอนึกเข้ามก็โกรธละแต่พอเราละนะความสนใจจากเรื่องเหล่านั้นมาอยู่ที่กายไอ้ความโกรธมันก็สะดุดนะเพราะว่าเหมือนเหมือนกับไฟที่มันขาดเชือ้อแม้ชั่วคราวก็ตามไฟมันต้องมีเชื้อนะเช่นฟืนหรือว่าแกส๊สนะพอมันขาดไปแม้เพียงชั่วขณะนะ ความร้อนแรงมันก็จะลดลงเพียงแต่ใจเราเนี่ยไม่ไปสนนะในเรื่องเหล่านั้นแต่มารับรู้กายนะมันก็ช่วยทำให้ใจเนี่ยร้อนน้อยลงนะรุ่มร้อนน้อยลงให้นะเวลาคนที่กำลังโกรธเนี่ยเพียงแค่เขาหันกลับมาที่ลมหายใจนะมาดูลมหายใจหรือว่ามา อยู่กับลมหายใจนะอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเช่นหายใจเร้าลึกๆหายใจ้ากยาวๆนะมันก็ช่วยได้รู้กายเสร็จก็กลับมารู้ใจนะมันก็ช่วยทำให้เมื่อรู้ใจเห็นความโกรธนี่มันหลุดเลยนะอย่ยว่าแต่ความโกรธเลยนะความกลัวก็เหมือนกันผู้ชายคนหนึ่งนะจะเป็น มีลูกอายุประมาณสักสามสขวบแล้วลูกคนนี้ก็ประหลาดนะจะมีอาการกลัวมากโดยเพราะเวลาพ่อเนี่ยนะอุ้มลูกเนี่ยลงโป๊ะเพื่อที่จะขึ้นเรือข้ามแม่น้ำที่บ้านเนี่ยนะอยู่ฝั่งทนนะาการอ่การเดินทางด้วยเรือนะข้ามฟากนี่มันสะดวกกว่านั่งรถ แต่เวลาอุ้มลูกเนี่ยลงโปเพื่อที่จ ะ, ะลงเรือเนี่ยเด็กก็จะร้องเนกลัวมากไม่รู้ไปเอาไปมีความฝังใจนะจากไหนพ่อก็พยายามอธิบายด้วยเหตุด้วยผลนะว่ามันไม่ต้องกลัวนะพ่อกอดลูกไว้แน่นนะโปะไม่มีวันล่มนะลูกไม่มีวันตกน้ำนะใ ห, ห้ผลยังไรลูกก็ไม่หายกลัว จกนกระทั่งวันหนึ่งไปได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนนะที่สอนลูกให้หายโกรธนะด้วยการให้มีสติรู้หรือว่าเห็นความโกรธนะปรากฏว่าลูกเนี่ยก็หายโกรธได้อย่างฉับพลันลูกก็ไหวใกล้ๆกันนะสี่ห้าขวบแ่ก็เกิดความสนใจแล้วก็อยากจะลองดูบ้างนะวันหนึ่งก็ เหมือนเหมือนเคยนะอุ้มลูกลงโป่ลูกก็ร้องโวยวายอยากจะให้พ่อนี่นะนะอออกจากโป่ให้ไดนะ้แต่ก่อนพ่อก็พยายามใช้เหตุผลแต่คนนี้ไม่ใช่เหตุผลลวถามลูกเลยนะลูกนะตอนนี้เป็นยังไงนะตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นอย่างไรนะตัวของลูกเป็นอย่างไรนะ ยามจี้ถามว่าหัวใจเป็นยังไงนะโอ้หัวใจมันเตน้นเต้นแรงมากเลยลมหายใจเป็นยังไงลมหายใจมันก็แรงนะะพอถามกายเสร็จก็ถามใจแล้วลใจเป็นยังไงมันกลัวพอ่อมันกลัวสักพักเนี่ยพรากว่าจู่ๆเด็กก็นิ่งนะแล้วจากเดิมที่เกาะเกาดไหลพ่อไว้แน่นเนี่ยมันก็คลายแล้วก็ปล่อยตัวนะ ลงมาวิ่งบนโปเไ่นเลยให้ความกลัวลูกอยู่ๆมันก็หายไปจากเดิมที่กลัวโป้เนี่กลายเป็นว่าไม่กลัวโป้ะละลงมาวิ่งเล่นบนโปะไดนะ้อันนี้พ่อก็แปลกใจนะสิ่งที่พ่อทำคืออะไรนะก็คือให้ลูกเนี่ยสอนให้ลูกมีสตินะเห็นนะเห็นกายเห็นใจ ให้คำว่าเห็นกายเนี่ยนะมันไม่ได้เห็นด้วยตานะคือมันเห็นด้วยสตินะถึงแม้เราหลับตาเนี่ยนะถ้าเราโกรธหรือเรากลัวเราก็รู้นะว่ากายเป็นอย่างไรนะรู้นี่รู้กายนี่มันก็รู้ได้อย่างอย่างอย่างแรกหน้าก็สองอย่างคือรู้อาการกับรู้ว่ากายกําลังทําอะไรอย่างเช่นเรายกมือเนี่ยนะเออเราก็รู้ว่ากายเนี่ยนะ หรือมือนี่มันยกนะถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวนะมือยกก็รู้แม้ปิดตาอันนี้ก็เรียกว่ารู้กายนะเรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวอีกอย่างคือรู้อาการนะรู้อาการนะเช่นเวลาโกรธเวลากลัวอาการทางกายเป็นอย่างไรแม้กระทั่งเวลาหนาวเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะลองสังเกตนะ เอาตาในมาดูกายตรงนี้ดูบ้างนะว่ามันทำอะไรอยู่และมันมีอาการอะไรเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ใช้ตาในนี่แหละมาดูใจนะว่ามันมีอาการอะไรมันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นนะเวลามันเผลอคิดไปก็เห็นมันนะเมื่อเห็นความคิดนี่นะ มันก็จะจิตก็จะไม่ถลําเข้าไปในความคิดเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นมีสติเห็นอารมณ์จิตมันก็ไม่เข้าไปถลําเข้าไปยึดจนกลายเป็นผู้โกรธหรือไปยึดว่าความโกรธเป็นกูเป็นของกูเราสังเกตนะถ้าไม่มีสติเนี่ยโกรธเมื่อใดเนี่ยมันจะรู้สึกเรากูโกรธกูโกรธเวลาคิดเนี่ยถ้าไม่มีสติมันจะเห็นว่าความคิดเนี่ยเป็นของเรา เป็นของกูแล้วก็จะเกิดความหวงแหนความคิดนั้นมากนะพยายามปกป้องความคิดนั้นแลพนะพยายามเล่นงานความคิดที่มันไม่ถูกหรือมันตรงข้ามกับความคิดของเราไอ้ที่ทะเลาะบอแวงกนนันเป็นลรอกเป็นเวณจนจนกันทั่งบางทีตัดยติขาดมิกันเนี่ยก็เพราะไปยึดว่าความคิดเป็นของกูความคิดกูเท่านั้นที่ดีความคิดกูเท่านั้นที่ถูก นะความคิดแกความคิดมึงมันไม่ได้เรื่องแถมจะไปถล่มหรือว่าเล่นงานความคิดนะที่มันผิดแผ่ไปจากความคิดของกูอันนี้เรียกว่าหนะลงแล้วนะเรียกว่าเป็นเป็นธาตุของความคิดแล้วถ้าเรามีสตินะเราเห็นความคิดนะเราจะเป็นนายความคิด แต่ถ้าไม่มีสตินะหลงเข้าไปในความคิดนะความคิดจะเป็นนายเราแล้วมันก็สามารถจะทำให้เราไปทะเลาะบอ่อแว่งกับคนทั้งโลกได้เพียงเพราะคนทั้งโลกเนี่ยเห็นไม่เหมือนเราคิดไม่เหมือนเราเนะี่เดี๋ยวนีนะ้เราก็เห็นนะผู้คนทะเลาะกันทางโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยเรื่องดาราก็เพราะว่าไปยึดแบบความคิด นะเป็นของกูไปลนะความคิดมึงไม่ดีนะความคิดกูต่างหากที่ดีที่ประเสริฐที่ถูกต้องอันนี้มันล้วนเป็นผลพวงจากการที่ไม่เห็นความคิดนะยไม่ต้องพูดถึงว่าคิดแล้วทุกนะนะนะเพราะว่าสิ่งที่คิดเนี่ยมันเป็นเรื่องอดีตที่เจ็บปวดซึ่งมันผ่านไปนานแสนนานแต่ก็ยังไม่ยอมวาง มันคิดเข้าไปทีไรก็เผลอหลุดเข้าไปในความคิดนั้นแล้วความคิดนั้นก็ครอบงำวงการเราอีกทีหนึ่งถ้ามันนะมันใช้สตินี่เข้าไปดูนะเข้าไปมองเข้าไปเห็นนีตอนเราใช้สติ บ, บ่อยๆนี่มันจะแยกได้เองนะว่าระหว่างเห็นกับเป็นนี่มันแตกต่างกันอย่างไรที่จริงเนี่ยที่เรามาอยู่กันสามสี่วันหกเจวันควรจะเห็น ความแตกต่างแยกแยะได้นะว่าเห็นกับเป็นต่างกันอย่างไรสมัยที่หลวงพ่อคำเขียนนะยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยก็มีโยมคนหนึ่งมาปฏิบัติอยู่ทักสามี่วันวันหนึ่งเขาก็มาถามหลวงพ่อหลวงพ่อทำยังไงดีหนูเครียดจังเลยหลวงพ่อไม่ตอบนะแต่ว่า ถามเขาว่าอ่าไอ้ที่ถามอันนี้ยังถามไม่ถูกนะให้ถามใหม่นะหลวงพ่อไม่ถามหลวงพ่อแน่นะว่าให้ถามใหม่ที่ถามมนที่ไม่ถูกเขานั่งเา้าดึงสักพาแล้วก็บอกดูเห็นความเครียดมันเยอะเหลือเกินหลวงพ่ อ, อตอนนี้เขาถามถูกแล้ว ดูเห็นความเครียดมันเยอะแล้วเกินทํำยังไงดีอ่าที่จริงแค่เห็นว่าแค่เห็นความเครียดมันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะนะมันเฉลยอยู่ในตัวแล้วพอแค่เห็นความเครียดความเครียดมันก็ทุ่เราลงมันต่างกันนะระหว่างหนูเห็นความเครียดกับหนูเครียดจังเลยเนี่ยหนูเห็นความเครียดก็คือใช้มีสติเห็นความเครียดถ้าหนูเครียดจังเลยนี่แปลว่าหนูเป็นผู้เครียดแล้วแล้วเข้าไปเป็นแล้ว ถ้าเราหมันใชนะ้ตาในหรือสติอยู่เสมอเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะอยู่ในโลกหรือเราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงสองอย่างมันทำไปด้วยกันได้นะตาเนื้อกับตาในเนี่ยมันทำไปด้วยกันได้ถึงแม้ว่าหน้าที่ของมันจะเป็นคนละอยา่างนะเวลาตาเห็นข้อความก็มีสติเห็นใจ ใจมันยินดียินร้ายใจมันก็เพื่อไม่เมื่อเห็นข้อความทางไลนะ์ทางเฟ e บุ๊ k หรือว่าเมื่อตาเห็นอาหารนะมีสติเห็นใจนะว่ามันดีใจหรือมั น, มนไม่พอใจนะมันยินดีหรือมันยินร้ายเอาทำได้คู่กันเลยนะอันหนึ่งเนี่ยมองไปข้างนอกอีกอันหนึ่งมองเข้ามาข้างในแล้วหัด ให้ทำสองอย่างควบคู่กันไปหรือไล่ไล่กันไม่ใช่แค่ต่างอยูนะ่ทั้งหูเหมือนกันนะเวลาหูได้ยินเสียงหรือเสียงกระทบหูนะก็มีสตินะเห็นใจว่ามันโกรธหรือมันดีใจนะเวลาคำต่อว่ามากระทบหูอ่ะก็มีสติเห็นใจที่กระเพื่อมเห็นใจที่โกรธเนะย เวลามีคำชมมากระทบกูก็เห็นใจที่มันเพลินมันดีใจแค่นี้ก็เรียกว่าได้ประโยชน์ละอย่าไปอย่าไปหุดหงิด ต, ตัวว่าทำไมเราโกรธนะเมื่อได้ยินคนเขานินทาเรานะควรพอใจว่าเออแค่เราเห็นมันเนี่ยเห็นว่าโกรธเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วล่ะนะลองฝึกใจแบบนี้เสมอเสมอนะ ไม่ว่าตาเห็นรูปหูดินเสียงหรือว่าลิ้นรับรสนะก็มีสติเห็นใจว่ามันมีอาการอย่างไรหรือจะลองทําเล่นๆก็ได้ว่านะมาไล่จับผีนะนะพระอาจารย์ประสงค์นี่ท่านสอนเด็กให้มีสติให้มีความสึกตัวด้วยการเล่นเกมจับผีนะผีมีสามตัวนะผีโลภผีโกรธผีหลงนะถ้าเด็กคนไหนจับผีได้ มารายงานนะหลวงพ่อจะให้รางวัลเด็กก็มาเล่าว่าเนี่ยเด็กเล่าว่าเนี่ยจะไปเข้าห้องน้ำนะจะไปจะไปส่องกระจกสักหน่อยแต่พอเข้าไปห้องน้ําลืมไปเลย ว, ว่าเข้ามาทําไมเฮ้เราก็ไม่ได้ปวดท้องนะแล้วเราเข้าไปทําไมอ่ะอย่างงี้เรียกว่าผีหลงแล้วนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะบางที ตั้งใจว่าจะไปซื้อรองเท้านะจะไปซื้ อ, อ, อเครื่องมือทําความสะอาดห้องน้ําก็เข้าห้องเอาเข้าห้างสรรพสินค้าไปห้างสรรพสินค้าโอ้เห็นของลดราคาเยอะเลยซื้อของมาต้องเยอะเป็น2 อ, องถุงได้นะแต่สิ่งที่ไม่ได้ซื้อคือรองเท้าแล้วกอ็อุปกรณ์ขัดห้องน้ำนะํำที่ตั้งใจจะจะไปซื้อตั้งแต่แรกอย่างนี้ก็เรยผีหลงนะ หลวงพ่อสง์นี่ท่านเล่นเกมนะจับผีนะโอ้เด็กชอบมากเลยเด็กนะแทนที่จะแก้ตัวเวลามีความโลบมีความโกรธเด็กนี่เอามาเล่าอย่างเปิดเผยนะด้วยความภูมิใจว่าจับผีโกรธจับผีโลภได้จับผีหลงได้วพวกเราก็เอาเกมนี่มาใช้กับตัวเองได้นะเวลามันโกรธก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปปฏิเสธนะว่าฉันไม่โกรธฉันไม่โกรธนะ ยอมรับหรือว่าฉันโกรธนะเวลาเพื่อนมาดินทาหรือยอมรับนะเวลาว่าเวลาไปช็อปปิ้งแล้วมันเห็นของอยากดื้อยากซื้ อ, อยากได้แทนที่จะรู้สึกแย่หรือแทนที่จะปฏิเสธที่มีความคิดแบบนั้นกลับรู้สึกว่าเออมันดีนะที่เรารู้ทันมันนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนทัศนคติจากการที่ไม่ยอมรับว่ามันมีความกลวความโกรธมันมีความฟุง้งหรือไม่ชอบความฟุ้งดยซ้า กลับมองว่าเออดีนะที่เรารู้ทันมันนะเรารู้ทันว่าตอนนี้ฟุ้งไปแล้วเรารู้ว่าตอนนี้โกวดไปแล้วลองทำแบบนี้นะให้ความโกรดความโลภความหลงหรือความฟุง้งความเศร้าที่มันเคยรบกวนจิตใจและเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะเรากลับยอมรับมันนะแล้วก็มีความสนุกนะกับการที่รู้ทันมันนะถึงแม้มันจะเป็นอารมณ์อกุศล น, นะ แต่เราก็ดีใจนะที่เรารู้ทันและต่อไปก็ฝึกให้รู้ทันความดีใจนั้นด้วยนะมันก็จะละเอียดละออมากขึ้นและต่อไปนะเวลาเรามีความทุกข์ใจเราจะรู้เลยนะว่าสาเหตุแห่งความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สิงนอกตัวเราเลยนะเวลาหงุดหงิดเมื่อได้ยินเสียงดังแต่ก่อนก็ไปโทษต้นเสียงว่ามันเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้เราหงุดหงิด แต่เมื่อดูใจบ่อยๆมันจะเห็นนะว่าที่จริงสาเหตุหรือตัวการที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่เสียงแต่ความรู้สึกไม่พอใจหรือความไม่ชอบเสียงนั้นนะแต่ก่อนไม่เห็นนะเพราะว่าเราไม่มีสติที่ไวพอเพราะว่าเราไม่ค่อยหมั่นมาดูใจแต่พอเราดูใจบ่อยใจเห็นแล้วโอตัวการที่แท้จริงเนี่ยมันคือความรู้สึกลบที่มีต่อเสียงนั้น มันคือความไม่ชอบนะมันคืออาการปฏิเสธผักใสเมื่อได้ยินเสียงนั้นมากระทบหูไอตัวนี้ตังหากนะเพราะทันทีที่เราวางใจเป็นกลางนะกับเสียงนั้นไม่ทุกข์ละไม่มีความหงุดหงิดละเวลาหงุดหงิดเมื่อรถติดเนี่ยเราก็มักจะโทษเป็นพ่อรถติดนะแล้วเราก็โทษกทมเราโทษรัฐบาลเราโทษรถคันหน้า เราโทษรถทั้งหลายนะที่มันเรียงรายอยู่ข้างหน้าเราว่าทำไมมันมาเดินทางมันช่วงนี้วะนี่มันเช้าวันอาทิตย์ทำไมไม่อยู่บ้านกันทำไมออกกันมาอยู่บนถนนแบบนี้บางทีลืมถามตัวเองว่าแล้วเราออกมาทำไมนะแต่ลองที่หงุดหงิดเนี่ยนะถ้าเราไม่ดูใจเราก็จะไปโทษรถนะไปโทษโลกทั้งโลกแต่เมื่อเรามีสติดูใจเราจะเห็นเลยนะว่ามันเป็นเพราะเราเนี่ยนะ มโนไปเราคิดไปเราคิดข้ามฉอดไปแล้วเราฝันไปถึงเรานึกไปถึงอนาคตระหว่าถ้ารถติดนานๆแบบนี้เดี๋ยวจะไปส่งลูกไม่ทันเดี๋ยวจะไปทํางานสายเดียวตกเครื่องบินพอคิดแบบนี้เข้าไปไงหงุดหงิดกังวลหนักใจรุ่มร้อนทั้งที่ในรถนี่มันแอร์เย็นไอ้ถามว่าวที่มโนเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือ ย, อ ย, งยังเดี๋ยวไม่เกิดแต่คิดไปแล้วพอคิดไปแล้วเป็นไง ใจมันก็เป็นท่าของความคิดทันทีเลยก็คือกั ง, งวลไม่ชอบแล้วหงุดหงิดให้เพียงแค่เราเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันนะไม่ต้องไ ป, ปะโนไปมโนล่วงหน้าว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเกิดรถติดนานกว่า น, นี้เอาใจาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะความหงุดหงิดหายเลยแถมมีเวลา เอาเวลาที่รถติดมาคุยกับลูกมาคุยกับแฟนเป็นการสร้างสัมพันธ์เป็นการกระชับความสัมพันธ์กับลูกกับคนในครอบครัวแทนที่จะทุกฟรีๆนะก็เอาเวลามาใช้เป็นประโยชน์นะแต่ถ้าไม่เราไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ดูใจนะปล่อยให้จิตมันโนไปอย่างนั้นนะรถติดมันไม่ใช่แค่เสียเวลาเดือนนะมันเสียอารมณ์ด้วยแต่ถ้าเรามีสตินะเราก็สามารถจะใช้เวลา ที่รถติดเนี่ยมาให้เกิดประโยชน์ได้เอามาใช้ตามลมหายใจเอามาเจริญสตินะหรือเอามาคุยกับลูกนะเพราะนานๆไม่ค่อยได้คุยนานๆจะได้คุยกับลูกสักทีก็ไม่ใช่เสียเวลาเลยเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และไม่มีการเสียอารมณ์เพราะว่าจิตเป็นปกติถ้าเราหมั่นดูจิตนะเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเราจะรู้เลยว่าสาเหตุที่แท้ จ, จริงของความทุกข์ใจ มันอยู่ที่จิตที่มันเป็นลบนะจิตที่ผลักใสจิตที่ไม่ยอมรับงานก็เหมือนกันนะเรามักจะคิดว่าที่เราทุกเราเราทุกเพราะงานมันเยอะแต่ถ้าดูไปสังเกตใจของตัวก็จะพบว่าเป็นเพราะเราไม่รู้จักวางบางทีช่วงเวลาพักเนะเราก็ไม่ได้พักจริงเราก็เอาไปคิดคิดถึงงาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้านนะหรือว่างานดูแลพ่อแม่ที่ป่วยนันเวลาจะหลับก็ไม่ยอมวางก็คิดอยู่นั่นแหละปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะแต่ที่เราทุกข์เพราะไปแบกปัญหามันเหมือนกับเราเดินผ่านหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเสร็จ แ, แล้วเราก็วกกลับมาแบกหินก้อนนั้น แบกสักพักเราก็บอกว่าหนักหนักเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวไม่ไหวเนีอันนี้เรียกว่าทุกข์ถามว่าเราทุกข์เพราะเหตุใดอะไรคือเหตุแห่งความทุกข์ถ้าตอบว่าหินเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้เราทุกข์นี่ผิดนะการแบกหินนั้นต่างหากที่ทําให้เราทุกข์ถ้าเราคิดว่าหินเนี่ยทำให้เราทุกข์เราก็จะพยายามที่จะเล่นงานหินนั้นเพื่อที่จะทให้มันหายไป ซึ่งเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นที่จริงมันเป็นเพราะการแบกหินต่างหากที่ทำให้เราทุกข์คำตอบมันเฉลยเลยว่าทำไงถึงจะไม่ทุกข์วางหินนั้นลงนะหินยังมีอยู่แต่เราไม่ทุกข์แล้วเพราะอะเพราะเราวางปัญหายังมีอยู่แต่เราไม่ทุกข์เพราะเราวางปัญหานั้นลงนะไอ้ที่ทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะปัญหาแต่ทุกข์เพราะแบกปัญหา ถ้า ม, มีสติดูใจนะมันจะไม่เห็นหรอกเราจะไม่เห็นสมุทัยที่แท้จริงชาบพุทนี่เราคุ้นกับอริยสัจสีนะทุกสมุทัยนี่โลดมากถูกสอนมาว่าเมื่อมีทุกข์ก็ต้องหาสาเหตุแห่งความทุกข์แล้วก็ค่อยหายวิธีการแต่ว่าเราไม่ได้ใช้อริยรรสัจนสะี่นกับชีวิตจริงของเราเท่าไหร่เรา ไปมองสาเหตุแห่งทุกเนี่ยผิดเลยไปมองว่าเป็นเพราะรถติดเป็นประวัติพาะเสียงดังแต่ไม่ได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วสมุดไทยหรือตัวการที่แท้จริงเนี่ยมันคือใจที่วางไว้ไม่ถูกใจที่ปฏิเสธผักใส่ใจที่แบกอันนี้สังหากนะที่มันเป็นตัวการแห่งความทุกข์ที่แท้จริงไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นหรือแม้ สิ่งนอกสิงนอกตัวยังแก้ไม่ได้แต่ว่าทุกข์ก็หายไปเพราะว่าเราจัดการที่ตัวสมุทยัยที่แท้จริงก็คือการทำให้ใจมันเป็นกลางนะหรือว่าใจไม่แบกพูดง่ายคือวางใจให้ถูกนะเพียงแค่รู้นะรู้โดยที่ไม่ผักใสนะรู้โดยไม่บน่นไม่โวยวายไม่ตีโพติภายนี่ก็ช่วยลดทุกข์ไปได้เยอะนะเรียกว่ารู้สื่อนะรู้สื่อสื่อก็คือรู้ นะมีเสียงดังก็รู้สื่อๆนะไม่ต้องไปผักใส่เสียงนั้นรถติดก็เห็นนะก็รู้รถติดนะแต่ว่าก็รู้ซื่อๆคือไม่ไปบน่นไม่บวยวายไม่ตีโพยตีพายนะอันนี้คือรู้ภายนอกรู้ภายในก็คือรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะก็รู้สื่อๆความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ไม่ต้องผักใส่มันไม่ต้องกดข่มมันมีความเศร้านะความรู้สึกผิดเกิดขึ้นก็รู้ น, น, รนะ ไม่ต้องไปผักสายไม่ต้องไปกดข่มมันหรือว่าถ้าหาว่ามีความดีใจก็ไม่ไปเคลิ่มคล้อยไปกับมันเนะื้รู้ซื่อเนี่ยไม่ว่าจะรู้นอกรู้ในนะมันช่วยให้ลดทุกข์ได้เยอะเลยนะซึ่งมันก็คือเรื่องเดียวกับเห็นไม่เข้าไปเป็นนะแต่พูดเป็นคนเราแง่นะถ้าเข้าใจเรื่องเห็นไม่เข้าไปเป็นนก็จะเข้าใจว่ารู้ซื่อเป็นอย่างไร นะพอะจะรู้ ซ, ซื่อได้มันต้องเห็นนะแต่ถ้าไม่รู้ซื่ อ, อไม่รู้เฉยเฉยมันก็จะเข้าไปเป็นนะไม่ว่าจะเป็นผักใสหรือไขคว้วาก็ตามรวมทั้งปรุงแต่งด้วยนะคนเราทุกเพราะการปรุงแต่งซะเยอะนะสมมติเราไปไปกินอาหารนะถ้าเกิดได้าจา์อาหารที่มีนอนนะเป็นยังไง นะถ้าคนที่เขามองว่าไอ้นอนเนี่ยคืออาหารชั้นดีเขากินก็จะมีความสุขนะเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็กินนอนเยอะนะแต่ถ้าเรามองว่าไอ้นอนเนี่ยนะมันเป็นสิ่งหน้าขยะขยะแยงเชื้อโรคเรากินแล้วก็ผะอืดผะอมเป็นทุกข์ไอ้ความคิดว่านอนเนี่ยนะมันเป็นของดีนะนี่ก็เรียกว่าเป็นการปรุงแต่งนะเราไม่ได้เห็นนอนว่าเป็นนอนแต่เราเห็นว่าเป็นของดี อนะ่กินก็มีความสุขอร่อยแต่ถ้าเราปรุงแต่งไปว่าน้อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าขยะขยะงกินก็เพื่ออ่นพรออ่อคมอันนี้ก็มันเรียกว่าไม่รู้สื่อๆนะมันมีการปรุงแต่งก็ไปด้วยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราลองฝึกดูนะรู้ซื่อๆดูนะควบคู่ไปกับการเห็นไม่เข้าไปเป็นนะช่วยเราจะสงบเย็นนะมากเลยแล้วนะก็ฝากเอาไว้นะสำหรับพวกเราที่มาปฏิบัตินะตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมา เอกกาการภาพพร้อมกัน